ขอกาศหลวงพ่อกำเขียนขอการหลวงพ่อกรมขอกาศครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านครับจะเดินในธรรมไม่ขี้แล้วก็ยติธรรมทุกคนก็ยังอยู่กันเยอะเนาะนึกว่ากลุ่มกลับไปจะเหลือกันไม่กี่คนก็ยังดีนะก็เป็นบรรยากาศในการส่งเสริม การปฏิบัติธรรมกันนะมีเพื่อนมีมิตรนะเดินทางร่วมกันนะเดินไปที่ไหนนะก็เดินไปสู่ที่ที่มันไม่ทุกข์ใจนั่นแหละนะแล้วก็จดหมายปลายทางตอนนี้ก็ไม่ใช้อยู่ที่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอตอนจะตายไม่ต้องรอตอนไหนให้เข้าถึงความไม่ทุกข์หรือว่าความพ้นทุกข์ในตอนขณะนี้เลย คือการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่ารัดสั้นแล้วก็ตรงที่สุดเลยนะทอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์ใจนะก็เหมือนอย่างที่บทสวดตอนสุดท้ายเนะก่อนที่จะแยกกันสวดระหว่างพระกับญาติโยมเอนะทำเช่ไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ถ้าเราตระหนักถึงตรงนี้อยู่เสมอทําอย่างไงนะ ถึงจะไม่ทุกข์ใจอันนี้แหละเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดตอนนี้มันคิดมากทำอย่างไรถึงจะเลิกคิดมากตอนนี้จิตใจมันวุ่นวายทำอย่างไรจิตใจถึงจะเลิกวุ่นวายตอนนี้มันไม่สบายกายไม่สบายใจทำอย่างไรนะถึงจะแค่ไม่สบายกายาแต่ใจสบายอยู่นะตอนนี้แหละคือเราทำอย่างไรตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก นะพระพุทธเจ้าท่านท่านเรียกว่าท่านให้วิธีการของพวกเราแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านไม่บอกว่าทำไมเราต้องเกิดมาทำไมเราต้องเป็นทุกข์ทำไมต้องอะไรต่างๆอันนั้นมันก็ใช่อยู่แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือเราจะทำอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์ใจนะทำอย่างไรถึงจะถึงจะเรียกว่าเกิดความสุขที่แท้จริงได้การจเจริญสติหรือว่าการที่เรามาฝึกหัดตัว น, นี้แหละ อาจจะเป็นวิธีการที่จะทําให้เราได้คําตอบกับทุกสิ่งทุกอย่างทําอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์ใจนะการแค่เรายกมือเคลื่อนไหวนะบางคนอาจจะยังเรียกว่ายังไม่เกิดความมั่นใจว่าเฮ้ทําแค่นี้จะทําให้เราถึงความเพลนทุกได้จริงหรือหรือทําแค่นี้จะทําให้เราเรียกว่าไปถึงจุดหมายปลายทางได้จริงหรือนะแต่จริงถ้าเราลองสังเกต แค่เรารู้สึกตัวในขณะที่ยกมือก็ดีขณะที่เดินก็ดีขณะที่ทำอะไรก็ดีนะที่จริงความรู้สึกตัวไม่ใช่แค่เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เรายกมือเคลื่อนไหวหรือเราเดินจงกรมแต่แม้แต่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่แ้ะเราคอยตามรู้การเคลื่อนไหวตามรู้การหยุดนิ่งนะของกายนะหรือว่ารู้สึกถึงการกระทบสัมผัสนะเช่นบางทีความหนาวกระทบ หรือว่าบางทีความปวดความเมื่อยนะเกิดขึ้นกับร่างกายเราคอยตามรู้แบบเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูนะไม่ใช่เข้าไปเป็นผู้เป็นนะการตามรู้ตัวนี้คือเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายเช่นยกมือเคลื่อนไหวแบบนี้เราก็เห็นนะเห็นกายมันนั่งอยู่กาลังยกมือนะไม่ใช่เห็นแค่มือไม่ใช่เห็นแค่แขนแต่รู้สึกเลยว่ากลังนั่ง แล้วก็เคลื่อนไหวกายแบบนั้นนะเห็นกายมันทำงานแบบนั้นโดยใจเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นอยู่ต่างหากนะใจไม่ได้เข้าไปเป็นกับกายแม้กายจะทำอะไรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ใจเป็นผู้รู้ผู้ผู้เห็นผู้ดูอยู่ต่างหากอันนี้เป็นหลักที่สําคัญมากให้เราทาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คอยเห็นการทำงานของกายคอยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกาย ดูความเปลี่ยนแปลงดูความเป็นไปดูความเป็นทุกข์ของมันโดยใจไม่ได้เขาเ้าเป็นผู้ทุกข์ผู้สุขด้วยอนะันนี้ก็หลักที่สําคัญนะเป็นผู้ทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นผู้สุขก็ไม่ใช่นะเป็นผู้ดูเฉยๆอยู่ตางหากใจต้องเป็นกลางกับทุกสภาว ะ, ะสภาวะกายถ้ามันดีเราคอยสุขแบบหลงไปกับมันก็ไม่ใช่กายถ้ามันไม่ดีเราคอยไปทุก นะไปจมอยู่กับมันก็ไม่ใช่ใจต้องเป็นกลางจริงจริงเป็นกลางกับทุกสภาวะนะไม่ใช่เอาความชอบใจความไม่ชอบใจมาเป็นตัวตัดสินแล้วก็ทําให้เราเกิดความสุขความทุกข์ตามมันไปอันนี้แหละใจที่เป็นกลางจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะแต่การตามรู้กายนะแล้วก็มันก็จะเห็นอย่างอื่นเกิดขึ้นด้วยแม้ไม่อยากจะเห็นแต่มันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ก็นะคือเรื่องอะไรก็คือเรื่องจิตใจนี่แหละนะจิตใจที่บางทีก็สุขก็ทุกข์หรือบางทีก็เฉยหรือบางทีก็มีอารมณ์โลภโกรธหลงเกิดขึ้นมานะหรือเห็นอาการต่างๆเ ป, เป็นกระบวนของธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นแสดงอาการความง่วงนอนที่จริงนะมันก็เป็นธรรมอารมณ์ชนิดหนึ่งนะความฟุ้งซ่านความลังเลสงสยัยนะหรืออะไรต่าง มันก็เป็นกระบวนการของมันเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามองไม่ดีเราจะเห็นว่ามันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรานาแต่ถ้าเรามองดีๆจะเห็นว่าอ๋อกระบวนการก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้เนาะเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายเป็นแบบนี้จิตใจเป็นแบบนี้เออทาแบบไหนมันถึงจะเรียกว่ามันลดมันละมันเลิกไปเราเป็นผู้ศึกษากระบวนการ กับสภาวัธรรมที่เกิดขึ้นตอนนี้ยเราจะได้ปัญญาแต่ถ้าเรามองอความง่วงความฟุ้งซ่านอะไรต่างๆเป็นตัวปัญหามันก็จะเกิดแต่ความเรียกว่าลาคาญใจไม่สบายใจแต่ถ้าเรามองมันในฐานะมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กับมันดูสิเออศึกษาดูมันก็จะเกิดปัญญาตัว น, นี้ได้อันนี้แหละเป็นเรื่องที่จิตใจที่เข้าแสดงอาการต่างๆเกิดขึ้นนะถ้าเรา เออเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ดูเรียนรู้เข้าไปก็จะเกิดความเข้าใจมัมากขึ้นอืทุกเกิดขึ้นนะอ่ะก็เรียนรู้ทุกสิบจชาท่านสอนตรงนี้ทุก์ไม่ใช่เกิดขึ้นเพื่อให้เราหนีเพื่อให้เราหลีกทุกยศท่านสอนไว้อเยสสีเบื้องต้นเลยทุกคือสิ่งที่ต้องกําหนดรู้นะคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะดังนั้นการที่ทุกขเกิดขึ้นเราเรียนรู้ทุกอ น, นัตเป็นสิ่งที่ถูกแล้ว นะสุขก็เหมือนกันเนาะที่จริงสุขมันก็เป็นรูปหนึ่งเป็นชื่อหนึ่งของคําว่าทุกข์นั่นแหละเพราะว่ามันไม่ใช่สุขที่แท้จริงนะสุขที่ทางโลกส่วนใหญ่คุ้นเคยกันนะคุ้นเคยกันบางทีความสุขมันเกิดขึ้นมันเจือกับมันเจือกับคําเรียกว่าเป็นความสนุกนะหรือว่าเป็นสิ่งที่ได้อย่างแต่อยางใจอยากนะอย่างเมื่อวันสองวันก่อนก็ไปอบรมเด็กที่วังน้ําเขียวนะก็ให้เด็ก ไม่ขี่บีก็ถามเด็กว่าความสุขเกิดขึ้นในช่วงห้าวันเจ็ดวันนี้มีอะไรบ้างความทุกข์เกิดขึ้นในช่วงห้าวันนี้เจ็ดวันนี้มีอะไรบ้างเด็กส่วนใหญ่ตอบความสุขเพราะเกิดจากการที่ได้สนุกนะได้ทำอะไรที่มีความสนุกอันนั้นเรียกว่าความสุขได้ทำอะไรที่มันไม่สนุกอันนั้นเรียกว่าความทุกขนะ์บางทีคนเอาความสนุกไปปนกับความสุขนะเอาความไม่สนุกไปปนกับความทุกข์ นะแต่ถ้าเราเห็นอ้อที่จริงความสุขกับความทุกข์มันไม่ใช่อยู่ที่ว่าความสนุกหรือความไม่สนุกหรือสิ่งที่ได้อย่างใจอยากหรือไม่ดังใจอยากแต่จริงมันเหนือกว่านั้นก็มีนะถ้าเราเห็นอ้ะที่จริงแล้วความสุขก็ดีมันก็เป็นชื่นหนึ่งของความทุกข์เพราะสุขมันไม่ใช่อยู่ได้ถาวรหรอกนะมันสุขจากการกินนะมันสุขจากการได้สิ่งของต่างๆมันก็สุขชั่วคราวแล้วก็เฉย สุดท้ายพอมันมีสิ่งใหม่ที่มันรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่ามันก็รู้สึกทุกข์แล้วเพราะว่ามันเปรียบเปรียบที่ว่าคนอื่นเขามีมากกว่าเราแบบนี้เนาะเนี่ยที่จริงความสุขก็ดีหรือความทุกข์ก็ดีมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราศึกษานะศึกษาว่าในสุขนั้นนะมันมยังยังมีทุกข์อยู่ในทุกข์นั้นที่จริงนะมันก็มีความไม่ทุกข์อยู่ทั้งในสุขทั้งในทุกข์มันมีความไม่ทุกข์อยู่ในนั้น ถ้าเราเห็นว่าออที่จริงแล้วก่อนที่จิตใจของเราจะสุขจะทุกข์จริงจิตใจของเราเป็นปกติอยู่ก่อนแล้วนะความเป็นปกติความไม่สุขไม่ทุกข์นะความเป็นกลางความตั้งมั่นตอเนี้มันมีมาก่อนแต่ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันจอนเข้ามาที่หลังนะมันเกิดขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็หายไปนะมันมาทั้งที่หลังด้วย แล้วกม็มันมาแล้วมันก็อยู่ไม่ได้นานหรอกนะสักพักมันก็หายไปถ้าเราจิตใจเรามั่นคงเห็นอ้อที่จริงจิตปกติจิตที่ตั้งมั่นมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วแค่รู้สึกได้เลยว่านะสิ่งที่จอนเข้ามาจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีความคิดอะไรต่างๆก็ดีนะมันเป็นตัวการที่สาคัญมากที่มาชวนให้หลงไปแต่พอเราเห็นอาการต่างๆนั้น มันเกิดขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็มันก็ผ่านไปจิตก็ไม่ต้องไปหลงกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็แค่รู้สึกว่าอาการต่างๆเกิดขึ้นมันผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปคล้ายๆกับลมหนาวเนาะที่มันพัดผ่านร่างกายตัวนี้แล้วก็พัดผ่านไปกระทบกับสิ่งอื่นต่อไปอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันเหมือนกับลมหนาวที่พัดเข้ามา ถ้าหน้าร้อนก็เป็นดมร้อนต่างๆมันก็เป็นเพียงแค่อาการที่แตกต่างกันไปแต่ไม่มีอะไรที่ติดแล้วออ ไ, มไม่มีอะไรที่กระทบแล้วมันติดอยู่หรอกนอกจากเราไปยึดมันไว้เองนะความหลงที่เห็นที่ชัดเจนเลยก็คือการที่เราหลงไปยึดอารมณ์ว่าเป็นเรานี่แหละมันนำมาซึ่งความทุกขนะ์ยึดสุขว่าเป็นเรายึดทุกข์ว่าเป็นเราตัว น, นั้นแหละทาให้เกิดความทุกข์ที่หนัก แน่นพี่จริงอาการต่างๆนะั้นไม่ใช่เราเนาะแต่เมื่อไรที่เราไปยึดว่าเราเป็นคนคิดมากเมื่อเราเมื่อใดที่เราไปยึดว่าเราง่วงนอนเมื่อใดที่เราไปยึดว่าเราเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นแหละมันเพิ่มความทุกข์คล้ายๆมันเกิดขึ้นแล้วเราพยายามไปยึดมันไว้นะจะยึดอะไรไว้มันก็หนักแบบนั้นแหละนะแม้แต่ปุยนุ่นถ้าไปยึดไปถือนะเขาไว้ตลอดเวลามันก็หนัก ไม่ต้องไปพูดถึงศีดารนะ์ที่มันหนักๆเนาะอันนั้นเปรียบเทียบภายนอกให้เราเห็นแต่ที่จริงสิ่งที่เรายึดตล้วหนักที่สุดนะไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่เป็นสิ่งภายในใจของเราเนี่แหละนะอะไรที่มันยึดแล้วมันหนักให้รู้ไว้ว่าอันนั้นแหละนํามาซึ่งความทุกข์นะความยึดอะไรที่มันหนักนะก็ความคิดเนี่แหละนะความคิดไปยึดความคิดอะไรก็แล้วแต่มันมาซึ่งความหนักทั้งนั้น แต่ความคิดนะส่วนใหญ่ต่างๆเกิดขึ้นมันก็มีเรียกว่ามีสาเหตุของมันความคิดส่วนใหญ่นะแทบจะทุกทั้งหมดแหละนอกจากเป็นเรื่องที่ตั้งใจคิดแล้วนะมันก็เกิดจากความอยากนะคิดนะอยากจะได้นั่นได้นี่นะคิดอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่หรือแม้แต่บางทีคิดอยากจะบน ร, รุธรรมเองก็ดีคิดอยากจะรู้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีนะพระเจ้าสมบอกว่านะ ตันหาคือความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเอาไม่อยากได้ไม่อยากเอานะมันก็ยังมีความอยากอยู่ถ้ายังมีชื่อที่เรียกว่าความอยากไปเจือปนอยู่ในความคิดในอาการอันนั้นแหละคือความทุกข์อันนั้นพอเวลาเราปฏิบัติทำไปเนาะแม้เราจะมีความตั้งใจที่จะทําให้จิตใจมันพ้นทุกข์มีความตั้งใจที่จะอ่า ยกระดับจิตใจให้เป็นลําดับขั้นตอนเจนทั้งถึงความไม่ทุกข์แต่ตอนนั้นให้เป็นความตั้งใจให้แยกระหว่างความตั้งใจกับความอยากนะความตั้งใจคือความพอใจในการที่จะกระทําเหตนะุแต่ความอยากก็คือความที่เราอยากจะได้ผลอยากท่าเดียวนะตอนนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันมากเราไม่ใช่ว่าเราทําไม่มีจุดหมายแต่เรามีจุดหมายเรามีเป้าหมายเรามีความตั้งใจแล้วเราก็กระทําเหตุให้ดีที่สุด เหตุที่จะถึงจุดหมายปลายทางหรือเหตุที่จะไม่ทุกใจก็คือการที่เราจะเดินสติบ่อยๆนี่แหละก็คือการทำเหตุนะทำเหตุโดยการรู้สึกตัว บ, บ่อยๆจะรู้ทันกายที่เคลื่อนไหวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็ดีหรือรู้เท่าทันจิตใจที่แสดงอาการต่างๆที่เกิดขึ้นก็ดีอันนี้แหละคือการทำเหตุที่ถูกต้องแต่บางทีเราก็ทำเหตุอยู่แต่ก็ไปคิดถึงแต่ผลนะ พยายามรู้สึกตัวอยู่เหมือนกันแหละแต่จิตไปคิดถึงแต่เมื่อไหร่จะเกิดผลเมื่อไหร่จะเข้าใจเมื่อไห ร, ร่จะดูธรรมเมื่อไหร่จะอะไรต่างๆนะมันมีแตถ่ถามว่าเมื่ อ, อไหร่เมื่อไหร่เมื่ อ, อไหร่มันก็คือไปคิดถึงอนาคตจิตใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะนั่นแหะคือความอยากมันพาเราไปให้เรารู้ทันดังนั้นให้เร็วๆแล้วก็อ๋ออ๋อความอยากเกิดขึ้นเหรออืมก็ละมันเสียนะรู้ว่ามันอยากก็ละมันเสีย เาจะอยากขึ้นกี่ครั้งกี่หนก็ละมันใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะจิตใจก็ต้องมีความนุ่มนวลความอ่อนโยนกับตัวเองด้วยนะอย่าไปเคี้ยวเข็นเกินไปอย่าไปโกรธไปเกียตัวเองเกินไปนะแม้มีความอยากมีความฟุ้งซ่านลำคาญใจจะเกิดขึ้นก็เราก็แค่รู้นะรู้ทานมันแล้วก็ละสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไปนะทําจิตใจให้มีความอ่อนโยนให้มีความสบายให้มีความ ปกตินะเอาไว้ตรงนี้นะจิตใจของเราก็จะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าเกิดความพอใจในการที่จะสร้างเหตุก็คือรู้สึกตัวได้เรื่อยๆเมื่อจิตใจมันสบายมันก็ทําแบบสบายนะจะคอยตามรู้การเคลื่อนไหวในรูปแบบก็ดีหรือว่าไม่ต้องต้องเคลื่อนไหวหรือทํากิจกรรมนอกรูปแบบก็ดีมันก็ไม่ทิ้งที่จะดูกายดูใจหลักนะม่อาจจะมีงานบางอย่างที่เราต้องเกี่ยวข้อง แต่จริงจิตใจนะมันเกี่ยวข้องกับงานเป็นเพียงแค่อาการเฉยๆแต่สภาวะจิตแล้วมันคอยตามรู้ตามเห็นการเคลื่อนไหวของกายเนี่เป็นงานหลักของชีวิตนะงานภายนอกจะเป็นการทำครัวเป็นการกวาดบ้านถู บ, บ้านเป็นการทำงานก่อสร้างเป็นอะไรก็แล้วแต่มันทำเป็นแค่คล้ายเป็นแค่งานที่ต้องเกี่ยวข้องภายนอกแต่งานภายในที่สติมันคอยตามรู้ก็คือ รู้ทันจิตใจพอเวลากระทบอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันรู้ทันนะหรือว่าพอใจมันจะส่งออกไปภายนอกมันก็รู้ทันนะจิตใจจะส่งออกไปข้างนอกก็ดีหรือสิ่งภายนอกมากระทบจิตมากระทบกายแล้วก็มันรู้สึกที่ภายในใจอย่างไรก็ดี น, นั่นแหละคืองานที่สติเข้าคอยตามดูตามรู้เรียนรู้เข้าอยู่นะหรือบางทีมันก็รู้กายที่เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาตินี่แหละนะ โดยไม่ต้องมีท่ามีทางอะไรมันก็รู้สึกได้เป็นปกติธรรมดาไปอันนี้แหละนะก็เป็นสิ่งที่ถ้าการภาวนาเดินได้ถูกทางเนาะมันก็จะมันก็จะเห็นว่าอ้อที่จริงการภาวนามันก็ไม่ยากเกินไปหรอกนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายไดย้จนกระทั่งนะมันสบายไปทั้งหมดนะมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายหรือยากนะแต่อยู่ที่เร า, เราทาเหตุให้มากพอหรือเปล่านะเราทาเหตุในการที่ เดินถูกทางไหมนะวางใจถูกหรือเปล่านะการวางใจถูกนี่เป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากมากนะนะการวางใจเช่นไรนะก็คือการที่เราวางใจกลางๆไม่เพ่งไม่จ้องนะจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่เพ่งไม่จ้องไปกับมันทำให้รู้สึกสบายนะแต่ก็ไม่ใช่สบายอย่างทั้งแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์อันนั้นไม่ใช่เรียกว่าสบายนะ อันนั้นเรียกว่าเพลินหรือว่าหลงไปกับอารมณ์ต่างๆนะี่ไม่ใช่ใจที่สบายคือใจที่ตั้งมั่นใจที่มั่นคงใจที่มีความตื่นความรู้นะเป็นผู้ดูอยู่อันนั้นคือความสบายของกายหรือของใจนะเมื่อใจมันสบายแล้วมันก็สนุกในการที่จะดูจะรู้นะจะเห็นอาการต่างๆเกิดขึ้นในภาษาสมมติอาจจะเรียกว่านะ ดีหรือไม่ดีนะหรือภาษาสมมติอาจจะเรียกว่ากุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่แต่มันก็จะรู้สึกว่ากุศลหรืออกุศลมันก็มีค่าเท่ากันนะมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้จิตมันได้ศึกษาให้มันได้เรียนรู้ไม่ใช่ว่ากุศลเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ชอบอกุศลเกิดขึ้นคือสิ่งที่ไม่ชอบนะดีไม่ดีไม่ใช่แบบนั้นจิตที่เป็นกลางมันก็เห็นอาการเกิดขึ้นอ๋อ ก็เป็นเช่นนั้นของมันเองละนะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปนะแต่บางครั้งมันก็ไม่ใช่จิตมันจะเป็นกลางทุกขณะน ะ, ะจิตที่เป็นกลางก็ไม่สามารถประคองไม่สามารถตั้งเรียกว่าทำให้มันเกิดขึ้นได้เป็นประจำหรอกนะมันก็เป็นของมันเองนะมันก็หยุดที่เรียกว่าลำดับขั้นของของกำลังของสติหรือว่าเป็นกำลังของปัญญาที่มันก็จะเดินงอกงามขึ้นไปของมันเนาะ คล้ายๆเหมือนกับร่างกายของเราในสมัยก่อนตอนมันเป็นเด็กๆมันก็มีกําลังยกหินยกของได้ไม่มากนักโตขึ้นมามันก็มีกําลังมากขึ้นนะแก่ไปมันก็เสื่อมลงไปตามธรรมดากําลังของสตินะมันมีแต่โตขึ้นไปเรื่อยๆแหละนะแต่บางวันมันโตดีๆนะภาวนาดีๆรู้ตัวได้ ด, ด, ด, ด, ดีแต่บางวันมันเหมือนไม่มีความรู้เลย เหมือนไม่มีความเข้าใจเลยภาวนาไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็เรียนรู้ดูมันไปวันนี้มันภาวนาได้ดีจิตใจเกิดความมั่นคงตามรู้ไดออ้ก็รู้มันไปวันนี้เหมือนไม่รู้อะไรเลยแต่เราแค่รู้สึกว่าเหมือนไม่รู้อะไรเลยหรือรู้สึกว่ามันรู้สึกตัวไม่ชัดรู้สึกว่ากิเลสมันจรเข้ามาบ่อยอ จิตที่เป็นกลางในการรู้อาการตรงนั้นมันก็ถูกของมันอยู่แล้วนะอย่าไปเอาถูกเอาผิดเอาดีไม่ดีเอาชอบเอาไม่ชอบเอาชัดเอาไม่ชัดนะแค่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนจิตใจแค่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนอันนั่นแหละคือจิตใจเป็นกลางจิตใจตั้งมั่นแล้วนะเมื่อจิตใจมันเป็นกลางมันตั้งมั่นตรงนั้นแล้วมันก็ถอนออกมาจากการที่เรียกว่าไปหลงกับอารมณ์แล้วแค่นี้พอละนะ แล้วก็ฝึกแบบนี้บ่อยๆนะฝึกจนกรทั่งจิตใจมันก็เป็นกลางมาตั้งมั่นได้บ่อยของมันเองนะจิตจะตั้งมัน่นจะเป็นกลางได้บ่อยก็เกิดจากการที่ถอนออกจากอารมณ์ได้บ่อยนี่แหละนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยคืออะไรคือความคิดเนี่แหละความคิดหรือว่าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อรู้ทันแล้วก็ถอนออกมาจิตใจจะเป็นกลางจิตใจจะตั้งมัน่นจิตใจจะมั่นคงของมันเองนะมันจะไม่กระดิก discount, นะหรือว่า มันจะอาจจะกระดิกไปกับอารมณ์ก็นิดเดียวนะใหม่ๆ ม, มันก็อาจจะเผลอไปจมกับความคิดจมกับอารมณ์นานนะแต่พอเรากลับมารู้สึกตัวได้บ่อยเออมันก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนทั่งมันเกิดความมั่นคงไม่วันไหวไปกับอารมณ์อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทาได้กันทุกคนนะทำได้กันทุกคนเป็นการเรียนรู้ ทุกอารมณ์ด้วยความตั้งมั่นด้วยความเป็นกลางด้วยความไม่วันไหวนะหรือแม้แต่จะวันไหวไปก็กลับมาใหม่ไม่เป็นไรนะมีแต่การเรียนรู้มีแต่การตามดูนะไม่ใช่เป็นการทำเพราะว่าอยากจะได้อยากจะดีอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะได้อะไรทั้งนั้นไม่ใช่นะแค่เรียนรู้อาการไปนะจิตใจก็เกิดความไม่ทุกข์แล้วนะไม่ต้องไปรอที่ไหนนะสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ การปฏิบัติธรรมคือการทําที่ปัจจุบันตรงนี้แหละทาปัจจุบันอย่างไรให้เกิดความไม่ทุกข์ใจเป็นเป็นทั้งคำถามเป็นทั้งคำตอบที่สำคัญที่สุดนะนะทาตรงนี้ให้ดีที่สุดแค่นี้พอละไม่ต้องไปรอที่ไหนนะเนาะพวกเราก็พยายามทําความเพียรกันละกันเนาะทาที่ในใจของเราเนี่แหละนะคนอื่นจะรู้จะเห็นอย่างไรไม่สาคัญ ถ้ากับเรารู้จักตัวเองว่าอ้อตอนนี้เรากำลังทำเหตุทำเจริญสติอยู่ทั้งในอุบายบททั้งในรูปแบบหรือบางทีต้องเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับผู้คนก็อย่าทิ้งการภาวนานะให้อาศัยหลักของการดูกายดูใจนี่แหละเป็นหลักการงานภายนอกก็เป็นสิ่งที่บางทีก็มาคอยตรวจสอบมาคอยสอบอารมณ์ก็ดีนะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีมากนะการงานบางที บางทีเราภาวนาในรูปแบบบางทีมันก็เจอแต่อารมณ์เก่าๆนะเจอแต่อารมณ์ในอดีตผุดขึ้นมาบ้างหรือเจอบางอารมณ์บ้างนะแต่บางทีพอภาวนานอกรูปแบบเนี่ยมันเจออารมณ์ที่เกิดขึ้นสดๆเกิดขึ้นจริงๆอ้อก็ได้เห็นว่าอ้อบางอาการวางอารมณ์มันก็ไม่เคยมาในตอนภาวนานในรูปแบบเนาะพอมาภาวนานอกรูปแบบเอา้ามันเจออารมณ์ตรงนั้นเออมันก็ดีได้เรียนรู้ได้ศึกษา ไม่ต้องไปคอยอีคไปคอยหนีอารมณ์หลักนะก็เห็นมันเกิดขึ้นก็ศึกษามันไปนะแต่ก็ทิ้งการภาวนาในรูปแบบไม่ได้นะจะคิดว่าจะภาวนานอกรูปแบบอย่างเดียวแล้วจิตใจจะมั่นคงหรือว่าจะผ่านได้เฉลุยก็ไม่ใช่นะก็ต้องไม่ทิ้งฐานในการภาวนานะมีเวลาเมื่อไหร่ก็กลับมารู้สึกตัวในรูปแบบไม่มีการเสริมกันไปนะ จะคิดว่าอะไรดีกว่ากันก็ไม่ใช่แต่ต้องทำควบคู่กันไปนะทำควบคู่กันไปจนทั้นจิตใจมันรู้สึกว่ามันเป็นกลางทั้งการภาวนาในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบนะมันหยุดแต่ว่าสภาวะหรือว่าสภาพแวดล้ลอมตอนนั้นมันให้ทำแบบไหนมันก็ทำแบบนั้นแหละนะแต่ใจแล้วมันก็เรียนรู้ทั้งกายทั้งใจไปของมันโดยความเป็นปกติเองนะไม่ต้องเลือกที่รักมากที่ชังนะแต่ แล้วก็มีฐานในการภาวนาของเราเองเนาะการภาวนาคือการรู้กายรู้ใจของตัวเองนี่แหละนะไม่ไม่ใช่ไปรู้คนอื่นไม่ใช่ไปรู้สิ่งอื่นนะเห็นคนอื่นนะแล้วก็กลับมาดูตัวเองเห็นสิ่งอื่นแล้วก็กลับมาดูตัวเองนะกลับมาดูบ่อยบ่อนี่แหละนะดูจนกระทั่งเห็นว่าอะไรเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วตัวเองที่แท้จริงก็ไม่มีนะมันมีแต่สมมุติที่เรียกว่าตัวเรา มันมีแต่สมมุติที่เรียกว่าของเราแต่แท้ที่จริงแล้วตัวเราหรือว่าของเรามันมีที่ไหนนะกายนี้ไปยึดไปของเราได้ไหม ย, ยึดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นนะยึดว่ากายนี้ขา น, นี้มันปวดมันเป็นของเรานะมันก็เป็นผู้ปวดนะยึดว่าใจนี้มันเป็นของเราเดี๋ยวมันก็รู้สึกว่าใจนี้มันฟุ้งซ่านเราฟุ้งซ่านดี๋ยวก็รู้สึกว่าเราดีเดี๋ยวก็รู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่นะ แต่ถ้าเราเห็นว่าอ๋อที่จริงมันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นกับกายนะแต่มันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นกับจิตแต่มันไม่ใช่เรานะเป็นเพียงแค่อาการที่จอนเข้ามาทางกายหรือว่าทางจิตนะหน้าที่ก็คือคอยรู้คอยดูคอยศึกษาไปเรื่อยๆจิตใจก็จะห่างจากความทุกข์ได้เรื่อยๆจิตใจก็จะออกจากความทุกข์ได้เรื่อยนะมันเป็นเรื่องของจิตใจที่เขาพ้นทุกข์ไม่ใช่เราพ้นทุกข์นะ มันเป็นเรื่องที่เราฝึกจนกระทั่งจิตใจมันรู้มันเห็นมันเป็นของมันเองไม่ใช่เรื่องของเราเป็นนะแต่โดยสมมุติก็อาจจะเรียกว่าเราเรียกว่าเขาก็เป็นธรรมดาเนาะแต่ให้รู้ว่าสมมุติมันเป็นแบบไหนถ้าเรารู้สมมุติจริงๆนะความวิมุตติมันก็อยู่ตรงนั้นแหละตรงที่รู้จักสมมุติอย่างแท้จริงนั่นแหละมันก็เข้าถึงความวิมุตตินะความหลุดพ้นแต่ถ้าเราไม่เห็นสมมุติไปติดที่สมมุติไปยึดที่สมมุติความวิมุตติแม้จะอยู่ตรงนั้น แต่มันโดนสมมุติครอบไว้จิตใจก็โดนแต่สมมติมันมันฉาบมันครอบมันถือไว้เนาะแต่ถ้าเราเห็นสมมุติอย่างแท้จริงนะสมมุติตัวสมมุติตนสมมติเราสมมุติเขาสมมุติกายสมมุติจิตสมมุติความคิดสมมุติอารมณ์นะมันเป็นสมมุติที่เกิดขึ้นเท่านั้นเมื่อเห็นสมมุติอย่างแท้จริงนะความวิมุติความดุดพ้นมันก็ปรากฏตรงนั้นอ้อเห็นความจริงแท้แล้วไม่เป็นอะไรทั้งนั้น ความจริงแท้คือสิ่งที่ไม่ทุกสิ่งตรงนี้มันปรากฏอยู่ทุกขณนะตลอดเวลานะเราจะรู้หรือเราไม่รู้มันก็ปรากฏอยู่แล้วตลอดเวลานะแต่พอเรามีสติเมื่อไหร่สิ่งตรงนี้ปรากฏขึ้นมาทันทีขาดสติเมื่อไหร่สิ่งตรงนี้ก็หายไปทันทีนะไม่ใช่หายไปที่ไหนหรอกเหมือนคล้ายเราลืมตาก็ดับตานั้นแหละนะจริงภาพอยู่ข้างหน้ามันก็มีอยู่แล้วแต่พอดับตามันก็ไม่เห็นพอดืมตามันก็เห็น สติก็เหมือนกับตานะมันจะลืมหรือมันจะดับมันจะหลงหรือมันจะรู้ก็แค่นี้แหละนะทําแค่นี้แหละทาเหตุให้มันดีผลก็ปรากฏของมันเองนะผลเกิดขึ้นโดยไม่ต้องวังผลผลเกิดขึ้นโดยไม่ต้องขอผลนะผลเกิดขึ้นเพราะทาเหตุที่ถูกนะเมื่อทำเหตุที่ถูกผลก็ปรากฏเองเนาะก็ให้พวกเราได้พยายามภาวนากันไปรู้กายรู้ใจไปแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรเนาะ จะจับถูกจับผิดกันคอยเรียกว่าถ้าเห็นไม่ถูกเห็นไม่ดีก็เตือนกันด้วยความปรารถนาดีนะแล้วก็เดินทางร่วมกันไปสู่ความไม่ทุกข์นะก็ขอให้ทุกคนได้เจริญในธรรมทุกคนนะ